หลวงตาคือแมวคงเป็นเด็กอนุบาลที่สุดอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าหรือไม่ถูกหรือเปล่าแต่เวลาฟังที่ อ, อที่หลวงตาให้ฟังในลายค่ะก็ก็พอเข้าใจค่ะตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติต้องไปยังไงอะค่ะแล้วก็คือ หนูมารู้นนจะถามถูกหรือเปล่าคือในชีวิตประจําวันค่ะบางทีพอรู้สึกหรือมันมันมันมีอาการเหมือนแน่นๆเนี่ยหนูก็จะหายใจลึกๆแล้วก็หายไปแล้วก็เหมือนกับมีสติรู้ขึ้นมาตรงนี้แค่นั้นเองค่ะตอนนี้ที่หนูทําอะไรคะมันนี้ไม่ไม่ถูกอันนี้มันก็คือว่าไปรู้แต่เวทนาเราไปรู้แต่เวทนามันเลยมีอาการแน่นบางเดียวเบาบางก็เบานะแน่นบางไปชอบอาการเบาเกียดอาการแน่น มันกเลยมันก็เลยไปจับตะเวีนาเราต้องเห็นตัวพูดตัวผ้าตัวคิดตัวนึกตัวตึกตัวตองตัวที่มันไหวๆๆๆเป็นความคิดเนี่เป็นความคิดความนึกความตึกความตองพูดอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะดูรู้เห็นอะไรในทุกขณะปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตัวพร้อมให้มันชัดเจนในทุกขณะปัจจุบันว่ากําลังกำลังทําอะไรอยู่กําลังพูดอะไรอยู่กําลังทํากิจการงานใดดอยู่ให้มันรู้ให้ชัดเจนแต่ให้ไปไหนอ่ะให้มีให้สังเกตให้ดีๆว่า มันพูดอยู่ตลอดเวลาแข่งอยู่ตลอดเวลามันมันมันเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นนํามาพูดอยู่ในใจตลอดเวลาให้เห็นว่ามันพูดมันคิดมันวิเคราะห์ตลอดเวลาจะไปสนใจว่าใจสบายไม่สบายห้ามไปสนใจเด็ดขาดไม่งั้นจะกันแน่นจุกอึดอัดแล้วก็จะไปหายใจเบาๆเดี๋ไปคลายไปอะไรทำไมมันว่าไปไปจับสนใจแต่เรื่องไอะไรใจสบายไม่สบายห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าสบายไม่สบายเป็นธรรมลมเมื่อเราไปรู้ธรรมลมแล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อใจมันสบายไม่สบาย ไอ้ตัวตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันพูดว่าไงมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยไงมันพูดยังไงกับกับอาการที่สบายใจไม่สบายใจอาการที่ใจนิ่งใจเฉยอาการที่มันแน่นอาการที่หายใจแล้วมันสบายแล้วมันพูดไปยังไงเออฮะมันแน่นแบบนี้วันนี้ทําไปทําอะไรเขามันิึงแน่นอย่างนี้เอาก็พูดอีกแล้วหรือว่าพอหายใจสบายเออสบายสักทีเอมันเอออย่างนี้มันสบายดีก็พูดยังไงต่อไม่พูดกับอาการที่สบายก็พูดอย่างอื่น มันพูดอยู่ตลอดเวลาในใจเราเนี่ยพูดกับตัวเองอพูดอยู่คนเดียววิเคราะห์วิจารวิจัยบางทีไม่ไม่รักษาแบมันเหมือนพูดอะมันเหมือนทำท่าทำท่าเหมือนอาการจุกจิกจุกจเหมือนกับยุกจิ๊กจุ๊กจกอยู่ในใจนั่นแหะมันที่ก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกแต่ไปกลัวเป็นเหมือนเป็นสติตะวันย่าแต่สติตะวัญย่ามันพูดได้มันเหมือนมันพูดอยู่ในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวมันพูดได้ให้สังเกตเห็นตรงเนี้ยแต่เราไปดูแต่ใจที่สบายและใจไม่สบายม มันจะแน่หรือไม่แน่มันต้องไปสนใจมันหลรอดูตรงที่ว่ามันแน่นลนแนนล้วมันพูดไปยังไงไม่แน่แล้วมันพูดไปยังไงมันติกต่อไปยังไงแล้วบางทีถ้าเกิดบางทีนิ่งแล้วเหมือนมีไฟไฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรอ่ะคะบอไม่สนใจเลยแบบนั้นอ่ะมันนิ่งมันมีไฟฟ้าไฟเฟอร์ดูแต่ไอ ต, ตัวเรามันพูดไปยังไงล่ะเอ๊ะทําไมมันเหมือนมีไฟฟ้าวะเนี่ยมันเหมือนมีอะไรจิตดจี้จะจัดไอ้ดูตรงที่มันพูดอยู่เนี่ยที่มันว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีไฟฟ้าจิตดจี้จัดจัไป เอ๊ะทำไมมันมีไฟฟ้าจีเจีจัดเราไปหาตนใจแต่ไอ้เหล็กไฟฟ้าจิตเจตจัดมันแน่นอย่างนี้<ม>โอ้ยมันไม่ดูเลยตัวเองพูดว่าอะไรเด็ดเนี่ยเจรไหมล่ะแค่มีสติรู้แค่นั้นรู้อะไรรู้พอมันเกิดแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันใช่ไหมคะฮะเดี๋ <S 1> <S 1> <soort> ยวไม่ต้องสนใจแล้วต้องรู้อะไรก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ว่ามีไฟฟ้าจี้จตจัดแล้วเป็นยังไงแล้วไม่ต้องสนใจมันแล้วต้องรู้อะไร กร็รู้สติให้ว่าตั้งสติอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้ง<อ>สตินะคไม่ใช่แล้วไม่เข้าใจงงเดี๋ยวเวลามันมีไปฟ้าที่ที่จะจจะตามมือเนี่ยเราพูดว่ายัางไงอ่ะในใจเราอ่ะอให้ดูตรง น, นั้นไม่ใช่ว่า<อ>ไม่ให้สนใจไปฟ้าที่ จ, จัจจะนั่นใช่ไหยคือคำว่าที่ว่าไม่ให้ไปสนใจคือมันส่งจิตออกนอกไปสนใจติที่ถูกรู้<อ>มันจะไม่รู้ว่าในใจเร า, าพูดว่าอย่างไง แต่ไ อ, ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วอืมเพียงแต่ว่าเราจะไปให้ค่าใความสนใจให้ความสําคัญมันให้คอยสังเกตดูว่าเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันพูดว่าอะไรตัวเราเนี่ยในใจมันพูดว่าอะไรพูดอยู่คนเดียววิเคราะห์วิจารวิจัยอยู่คนเดียวว่าอย่างไรออืเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเอาไม่เดี๋ยว <c ười> ไม่เข้าใจอย่ากลับบ้านนะวันเนี้ย <c ười> <c ười> ไอตอนตอนที่ หนูอาจจะสื่อสารไม่ค่อยเป็นนะคะคือตอนที่เกิดอะรู้ว่าโอเคมันมันเหมือนกับมีพลังมันเหมือนกับว่ามีพลังเพราะว่าเคยได้ยินแม่บอกว่าแบบแบบเนี้ยมันเป็นพลังแล้วอย่าไปสนใจมันแล้วก็ให้มาเหมือนกับปล่อยอะคะ่ะปล่อยวางแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่สนใจอ ย, อย่างเงี้ยคะ่ะ ไอ้คำว่าที่ไม่สนใจคือไม่ให้ไปสนจิจสองจิตออนดอกไปวุ่นวายกับเขาเพื่อให้เห็นไม่จำเป็นไปสนใจเขาแล้วก็อยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อเพื่ออะไรอ่ะที่ไม่สนใจในเพื่ออะไรไม่สนใจเขาในเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งนั่นละถูกต้องแล้วเพื่อไม่ให้สองจิตออกนอกแต่สําคัญที่นั้นเพื่อมันจะเพื่อความ้นทุกข์ด้วยคือเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นอะไรก็เห็นใจว่าใจใจคืออะไร ใจกับสติเหมือนกันไหมคะอ๋อแสดงว่าไม่ได้ฟังนลยในวันนี้เออฟังแต่เดี๋ยวเราพูดตั้งนาแสดงไม่ได้ฟังเลยแสดงว่าแสดงว่ามันคิดถึงเรื่องการปิบัติของตัวเองเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยแสดงว่ามันคิดแต่เรื่องการปฏิบัติของตัวเองรูปแบบของตัวเองอ่ะไอไอมันไม่ได้ไปคิดที่เราเราเราพูดเนี่ยไม่ได้ฟังไอแมวเฮ้ยเดี๋ยวมาให้มาใตั้งสติให้มาพุ่ย เอาผู้หญิงด้วยกันอาจจะเข้าใจกันเอาพูดหน่อยสิเอาไ อ, อาเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ้าปุ๊กเอาดิไปพูดหน่อยสิเอาไมค์คนละตัวไหนเปลี่ยนคู่โชกฟังสิเ<ช>นี่ยคู่ทีสองคนเนี่ยเข้าใจหน่อยสิเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานก็เลยขาดความขาดตอนเลยไม่รู้ว่ า, ขาขว่าเป็นยังไงอ้าวอธิบายหน่อยเหมือนพี่แมวใช่ไหมคะเหมือน พออย่างที่พี่แมวจีจีจ้าจข้างในร่างกายอ่ะคะ่ะแล้วพอมันจีจีจ้าจเนี่ยพี่แมวจะต้องรู้สึกว่ามันจีจีจ้าจใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แมว<ช>รู้สึกว่ามันจีจีจ้าจแล้วพอพี่แมวรู้สึกว่ามันจีจีจ้าจพี่แมวทํำยังไงนะคะปกติแต่ว่ามันจีจีจ้าจพี่แมวทำยังไงคะ ก, มมคะก็ก็อย่างที่บอกหลวงตาเมื่อกี้ก็คือว่าพอเห็นแล้วก็ไม่ไม่ไม คือพอดูแล้วก็ที่ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะก็คือว่าแบบที่บอกว่าปล่อยวางก็คือว่าก็ไม่ไม่ได้สนใจแล้วก็มามามาดูอย่างอื่นมามาสมมติว่านั่งสมมตินั่งดูทีวีอยู่เนี้ยแล้วมันเกิดขึ้นเนี้ยะ ค, ะค่ะค่ะก็คือว่าเหมือนกับ ที่ที่หลงตาบอกว่าสักแต่ว่ารู้ค่ะแค่แค่ตรงนั้นเองค่ะก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ก็ไม่ได้ใส่ใจมันเนี่ยออคือจ ร, รจริงๆแล้วว่าสื่อสารถูกหรือเปล่าแต่ว่าพี่แมวพิจารณาอย่างนี้ใช่ไหยคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยเวลามันจิตจัจจานหรือว่าทุกขณะที่กระทบอะไรตลอดเวลาเนี่ยข้างในมันจะต้องพูดมันจะต้องคิดตึกตองกับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยคือ ให้พี่แมวมาเห็นตัวนี้อะค่ะอืมเหมือนสมมติพี่แมวจีจีจ้าจพี่แมวก็จะรู้สึกว่าเออมันจิจีจาจแม่สอนมาว่าไม่ต้องไปสนใจมันกลายเป็นว่าพี่แมวเอาตัวพี่แมวเนี่ยไปปล่อยวางอาการจิจีจาจแต่พี่แมวไม่ได้มาเห็นตัวพี่แมวที่พูดว่าเอ้ยแม่เราบอกว่าอย่าไปสนใจจิจีจาจไม่ได้ดูที่ใจเราไม่ได้มาเห็นตัวเราที่พูดนี้แล้ววางตัวเราผู้พูนนะคะอื อพาอย่างพี่แมวฟังปุ๊กเนี่ยข้างในพี่แมวก็อ๋ออ๋อพอแค่พี่แมวมาเห็นตัวเนี้ยตลอดเวลาแล้ววางตัวนี้ค่ะไม่ใช่เอาตัวนี้ไปวางอาการอื่นคือไม่ใช่เอา เ, าเอาตัวเราไปวางอาการจีจีจาจารแต่ให้เรามาเห็นว่าตัวเราที่มันจีจีจาจาร์วางวางที่เราพูดที่ภาคอยู่ในใจนี้ อยูตลอดเวลาแล้ววางตัวนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันรู้อะไรตลอดเวลามันจะต้องพูดมันจะต้องคิดมันจะต้องวิจัยตลอดเวลาใช่ที่เนี่ยคือธรรมชาติของวิญญาณขันอืที่มันต้องทํางานอย่างเนี้ยค่ะวางตัวนี้ก็คือวางเห็นตัวนี้ก็เท่ากับวางตัวเราแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเนี่ยไปวางอย่างอื่นค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าพี่แมวมีอาการจี๊ดจ๊าดจ้าอย่างนี้พี่แมวจะปฏิบัติยังไงนะคะถ้าเป็น ถ้ามาเห็นผู้รู้อย่างเงี้ยคะ่ะพี่แมวพอจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมคะก็ต้องลองเพราะว่าคือจริงๆคิดว่าปฏิบัติน้อยนะคะที่ว่าตัวตัวเองปฏิบัติน้อยก็ตอนนี้ก็ได้แต่ฟังแล้วก็เอ๊ะเขาทํากันยังไงเหรอแต่แบบว่าที่ฟังหลวงตาก็จะมีเข้าใจเข้าใจบ้างแต่เวลาหลวงตาถามไม่ตอบไม่ถูกว่าทํายังไงก็เนี่ยค่ะพี่แมวมาเห็นตัวพี่แมวที่ เอาตัวพี่แมวเนี่ยไปมองอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะพีแมวเหมือนมีตัวพี่แมวเนี่ยตอนเนี้ยพี่แมวก็เอาไปยึดตัวเนี่ยที่ไปเห็นอย่างอื่นที่เกิดขึ้นข้างในอ่ะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปปล่อยวางอย่างอื่นตอนนี้พี่แมวแค่มาเห็นอเสียงที่พี่แมวเนี่ยที่กำลังคิดตึกตองพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เห็นมันทำงานอยู่ตลอด เห็นตัวเนี้ยค่ะแล้วก็วางตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่อาการพอจะพอจะเก็ตไอเดียเลยค่ะก็ก็แต่เวลาถามไม่ตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ฮิฮิฮิเฮ้ยาาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า ต้องต้องกลับไปปฏิบัตินีะคะว่าว่าก็เฝ้าค่ะก็คือกรนีค่ะที่ที่บอกว่าที่หลวงตาบอกเนี่ยก็ต้องพอพอรู้อย่างนี้ก็คือจะกลับมาดูที่ใจใช่ไหมคะใจของเขาคืออะไรใจใจของพี่แมวเนี่ยค่ะที่บอกกลับมาดูที่ใจเนี่ยทํำยังไงคะกลับมาดูที่ใจก็ที่ทะกี้ถามเอ่อทิทาคีจะสื่อสารยังไง้ ใจมันกระทบอะไรผมรู้อะไรผมต้กับมาหนที่ใจแล้วว่าใจของเราหมายถึงอะไรใจหมายถึงตัวเราอะค่ะตัวตัวเราที่ที่ถูกที่ที่รู้แล้วค่ะว่าโอเคตรงนี้มันกระทบเข้ามาที่ที่ที่ดวงตาบอกว่าผู้รู้ใช่ไหมคะคือตัวเราที่รู้อะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยค่ะมันรู้อะไรแล้วมันจะต้องคิดตึกต้องอื ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่อันนี้สติอันนี้ไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาเนีนะคะพี่แมวใช่พี่แมวคือเห็นตัวเนี้ยค่ะเห็นอยู่แต่ตัวเนี้ยเห็นอยู่แต่ตัวใหม่เพราะว่าทุกขณะที่มันรู้อะไรใหม่ปุ๊บมันจะต้องพูดใหม่อพี่แมวเลิกเออคือไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ไปสนใจว่าอาการทุกอย่างแต่มาแต่สนใจไอตัวผู้พูดเนี้ยค่ะ ว่าทุกขณะมันพูดอะไรแล้วก็วางตัวนี้ว่ามันเป็นสังขารปูแต่งมั น, น, นไม่ใช่กนขณะที่เราทํากิจวัตรประจําวันอยู่นั่นใช่ไหมคะเพราะในขณะที่ทําเนี่ยทุกขณะมันต้องพูดเนะ<ช>เาะที่แมวคุยกับปุ๊กเนี่ยช่ข้างในก็ก็พูดใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้ที่ข้างในจะไม่มีพูดว่าปุ๊กพูดอะไรเอออันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ใช่ไหมเสียงเหล่าเนี้ยจะมีอยู่ในหัวตลอดไหมคะไม่ ตอนนี้เวลาเวลาฟังที่พูดนะคะก็ตั้งใจฟังจากตรงนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปรู้ตรงตรงอ๋อแบบแต่ว่าไม่ต้องเราไม่ต้องไปตั้งใจรู้มันแต่ว่ามันทำงานอยู่ใช่ไหมคะไอเสียงที่ว่าเออพูดพูดอันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ก็พอจะเข้าใจอันนี้ตอนเนี้ยมันคืออะไรแบบเหมือนที่พเคาะอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะก็มารู้ตัวนี้ แล้วก็ปล่อยวางตัวนี้นะคะ่ะคือรู้ตัวเนี้ยทุกขณะปัจจุบันนะคะอืที่ว่าตัวเรามันรู้แล้วมันพูดว่าอะไรอะคะ่ะอืมรู้แล้วว่าพูดว่าอะไรค่ะแล้วก็วางตัวนี้แต่ไม่ได้เอาตัวนี้เป็นเราแล้วไปวางอย่างอื่นอ่ะสมมติว่าปุกบอกพี่แมวว่าปุ๊กปวดขาแล้วปุกก็เลยไม่สนใจอาการปวดขา ก็เลยกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้กรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่สองปวดขาเหมือนกันเนาะคะแต่เห็นว่าข้างในมันพูดว่าเออเราปวดขาทําไมเราปวดขาอย่างนี้แล้วก็วางตัวไอ้ที่พูดว่าเราปวดขาอย่างเงี้ยว่ามันรู้อะไรแล้วมันต้องพูดพากลแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่เราสองกรณีนี้เหมือนกันไหมคะ กรณีแรกเราปวดขาเนาะกรณีโอ้นั่งสมาธิปวดขาจังเลยทำไมกลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับลมหายใจไว้เราต้องกลับมาอยู่กับลมอันนี้กรณีแรกนะคะกรณีที่สองปวดขาจังเลยปวดขาแล้วก็เห็นว่ามันพูดว่าเราต้องกลับมาอยู่กับลมไว้เห็นว่ามันพูดว่าเราต้องกลับมาอยู่กับลมไว้เดี๋ยวเราจะ ไม่มีสมาธิแล้วไม่ได้แล้วต้องกลับมาอยู่กับลมสองเคสนี้เหมือนกันไหยคะคิดว่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนตรงไหนอะค่ะไม่เหมือนตรงอันที่สองเนี่ยที่พอที่พอรู้แล้วก็กลับคือเห็นว่าเราต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็อันอันที่สองเนี่ยที่ว่าเห็นที่ว่าเห็นอยู่กับลมหายใจค่ะต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสองกรณีเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนกันแต่กรณีแรกเนี่ยบอกว่าเราต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีสติไปยุ่งอยู่แต่กับขาเนี่ยกับกรณีที่สองเห็นว่าเราพูดว่าเราต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจนะ<ม>เดี๋ยวจะไม่มีสติ<ม>สองกรณีนี้ต่างกันไหมคะต่างนะคะต่างทำไม ถ, ถึงต่างนะคะ จะตอบไปยังไงตอบคือจะตอบว่าอันอันอันแรกที่ที่รู้ว่าปวดขาแล้วให้กลับมาอยู่กับลมหายใจมันมันคิดแล้วมันก็พูดยังไงเหมือนมันเอาเราอะอไปจัดการอาการนั้นใช่ อย่างเดียวทุกอย่างเดียวใช่แต่อันที่สองเนี่ยมันก็มีแหละไอ้ความคิดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนท่าความคิดที่ว่าจะต้องกลับมาอยู่กับล ม, มแต่เราเห็นความคิดเนี้ยว่ามันคิดว่ามันแล้ววางความคิดนี้ว่าความคิดเนี้ยไม่ใช่เราอ<ม>ด้วยการเข้าใจว่าเนี่ยคือสังขารเนี่ยคือผู้รู้ผู้รู้ที่มันจะต้องรู้อะไรแล้วมันจะต้องคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ ตึกตองใหม่อยู่ตลอดเวลาอาการเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถู ก, ถกรู้แต่ปกติเราปฏิบัติแบบมีเราอยู่อันหนึง่งแล้วมองลงไปถึงสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปพูดว่าเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้เรามีสติเรากลับมาทำอยู่แต่อะอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้คือมาเห็นอินเนี่ยเห็นปัญญาเห็นอิเราเนี่ยแล้ววางเราซะข้างล่างก็หลุดแต่นี้เราจะเอาเราเนี่ยไปวางอีกข้างล่างทำยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าอินคาอยู่ไงยังไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามาเห็นย้อนมามาเห็นที่พูดรู้ที่รู้แล้วพูดภาควิเคราะห์วิจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วรู้ว่ามันคือสังขารลววาง วางตรงนี้ทุกอย่างก็หลุดนะคะแต่ไม่ใช่เอาไอ้นี่ไปวางข้างล่างนี้วางไงก็ไม่หลุดวางก็คือเห็นเห็นว่ามันพูดมันัอเนี้ยก็คือวางถูกไหมค่ะแค่เห็นก็เท่ากับว่าแล้วมันจะชอบคิดต่อค่ะอ๋อมันก็เกิดดับเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชอบแบบมันก็คือคิดต่อไปอีกไปอีกก็คือเห็นปัจจุบันลงไปอ๋อขอบคุณค่ะวางก็คือ เห็นเห็น <Harriet> ท <laughs> ุกขณะปัจจุบันค่ะเพราะว่ามันต้องพูดในทุกขณะปัจจุบันค่ะพรองงงตรงคำว่าวาสอ๋อสาธุค่ะค่ะ ทำงานได้ทำมือก็ทำได้ทำมือทำงานก็ได้เมื่อกี้เขายังถามอยู่เลยตอนนี้เขาเจอไม่ไม่ยอมเขาเจอยู่เอากบเแ่ิดอะไรที่อยากได้ะู พูดเลยไม่เอาพูดเลยเขไม่รู้ว่าถูกไหมเมื่อกี้คุณแม่พูดอะไรที่แม่บอกปุ๊กเกิดเลยเมื่อกี้แม่เขาพูดอะไรเขาเขาเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าอ๋อตัวเวลาที่ปุ๊กบอกว่าวางอะค่ะก็คือตัวนั้นใช่ไหมแบบเหมือนพอเรารู้รู้แล้วก็ไปรู้ไอความคิดนั้นคือไม่ใช่ว่าไปเป็นตัวที่ปุ๊กกาลัง พูดแต่หนูอธิบายให้แม่ฟังไม่ไม่ได้คือหนูเลยบอกให้แม่ถามแม่ก็พูดออกมาเลยว่าเข้าใจว่าอะไรคือผู้รู้อ่ะอ้าวผู้รู้ก็คือการวางใช่ไหมคือมาเห็นไอ้ผู้รู้เนี่ยค่ะมาเห็นแล้วก็คือทุขณะที่เห็นเนี่ยที่มันทํางานใหม่เนี่ยมันก็คือการวางโดยที่ โดยที่เป็นการวางโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าก็คือกลับมาคือการที่เห็นเขาะคะ่ค่ะมันก็คือการที่ไม่ได้ยึดเขาเพราะว่าเราแค่เห็นเขาเฉยๆแต่ว่าปกติเนี่ยการเป็นเขาอะเพราะเราไม่เห็นน่ะเราก็เลยเป็นตัวนี้แล้วเอาตัวเนี้ยไปจัดการอย่างอื่นน่ะอันนี้คือเป็นเพราะไม่เห็นแต่เมื่อไร่ที่เห็นก็จะไม่เป็น เห็นเพื่อจำเห็นเพื่อเมื่อเห็นก็จะไม่เป็นมันก็เป็นการวางโดยอัตโนมัติแล้วค่ะเข้าใจไหเข้าใจว่าไม่ต้องมาแอบถามอยู่จะพึ่งกเับไปถามมาตอบไม่ได้เอาเร็วถามเลยจะได้ไปปฏิบัติแม่แม่ก็ได้เราเราเอาไมถือไม้แหวกเอา ไม่ต้องเขินเข้าใจว่าอะไรูนอเเข้าใจว่าอะไรผู้รู้ใครใครเป็นผู้รู้ือเราอะเราเป็นผู้รู้ก็ทุกขณะเนี่ยที่มารู้อะไรมันต้องเราอะเป็นคนรู้อย่างตอนเนี้ยเขินเนี่ยใครเขินนะคะเราเราเขินก็ให้มารู้ว่า มันรู้อะไรแล้วมันต้องมันมันมีความรู้สึกนี้แล้วมันพูดอะไรว่าเราไม่อยากพูดเลยเราไม่อยากพูดถ้าเราไม่เห็นเขาอะเราจะเป็นตัวเราว่าแม่ไม่อยากพูดแม่ไม่อยากพูดเราจะเป็นแม่ไอไอที่บอกว่าโอ๊ยไม่อยากพูดเลยเราจะไปเป็นตัวนี้ไปเลยค่ะแต่ไม่เห็นว่ามันพูดว่าเฮ้ยเราไม่อยากพูดเราไม่ชอบพูดใหม่เราไม่เห็นเขาแล้วเราไปเป็นเขาแล้วคือ ให้เห็นทุกขณะปัจจุบันเนี่ยที่มันรู้อะไรแล้วมันพูดมันคิดมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องคิดต่อเนาะค่ะสมมติคุณแม่อายเนี่ยคุณแมมันก็มีคิดต่อว่าไอเราอายเราไม่อยากพูดแต่มันก็ต้องคิดต่อไปอีกก็เห็นตัวเนี้ยค่ะเห็นตัวเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็วางตัวเนี้ยทุกขณะปัจจุบัน ว, ว่ามันไม่ใช่เราค่ะเพราะมันไม่ใช่เราจริงๆค่ะ คือเรารู้เราต้องรู้นะคะรู้ว่าเราคิดอะไรค่ะค่ะว่าในในหัวเราคิดอะไรอยู่ค่ะแล้วาก็วางมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราต้องวางไงนะคะคือเห็นเขาทํางานไม่คิดต่ออุ้ยไม่คิดไม่ได้นะคะเพราะเนี่ยคุณแม่ถ้าคุณแม่ไปห้ามไม่ให้คิดเนี่ยคุณแม่ต้องห้ามใช่ไหมคะ คุณแม่มีเราสั่งให้เขาหยุดคิดได้ไหมคะสมมติเนี่ยคุณแม่ฟังปุ๊บเนี่ยข้างในมันคิดไหมคิดคิดคุณแม่สั่งให้เขาหยุดคิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เราเราควบคุมเขาไม่ได้เพราะเขารู้อะไรแล้วเขาจะต้องคิดค่ะแต่ให้มาเห็นไอ้ผู้รู้อะไรแล้วมันคิดเนี่ยแหละที่ว่าตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นเราคิดเนี่ยแท้จริงไม่ใช่เราคุณเราต้องรู้ว่าผู้รู้คิดอะไร ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยค่ะคที่ที่มันรู้อะไรแล้วมันคิดอะไรชอนเรารู้อะไรว่ารู้อะไรแล้วมันคิดอะไรเนี่ยเราจะไม่เอาเราอะไปรู้อาการ<ม>อาการที่หมายถึงว่าสมมติว่าคุณแม่สมมติว่าตอนเนี้ยก่อนที่คุณแม่เขินเนี่ยถ้าเรามารู้ว่าเ อ, อ้ยเ อ, อ้ยมันมันพูดอย่างเนี้ยเราจะไม่ไปสนใจแต่อาการเขินละแต่ไม่งั้นอ่ะเราอ่ะจะไปสนใจแต่ อาการอาการที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะแต่ให้มาสนใจผู้รู้ <c oughs> ค่ะที่รู้อะไรแล้วมันคิดวิดตวิจารวิจัยวิเคราะห์ภาคตลอดกับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยเขาทำหน้าที่ของเขาค่ะเพราะเขาไม่ใช่เรา ต้องค่อยๆนึกฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีๆๆรๆๆๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกขณะั้งทุกขณะค่ะเรกแต่สังเกตยังไงนะคะก็คิดอะไรคิดอะไรแล้วก็พิจารณาพิจารณายังไงนะคะว่ารู้อะไรอะไรคือเราไม่ไปอ่าสนใจสิ่งแวดล้อมอะย่างกรณีปูดขาล้วก็ไม่ต้องไปไปสนใจเพราะมันเป็นสังขารค่ะนี่เราก็จะ มาในหัวเราก็าคิดอะไรอยู่อ่าค่ะก็คือถ้าคุณแม่ปวดขา แ, แทนที่ปกติทำยังไงนะคะปกติเราต้อมีสนใจเพราะว่ามันมันเป็นสังขารไปถึงปวดขาเป็นสังขารค่ะค่ะอันนี้ถ้าเราเราต้องผู้รู้ก็คือคิดอะไรอะไรอยู่ในหัวค่ะอ่ะก็คือ เราสนใจแต่ว่าในหัวเราคิดอะไรอยู่ อ, อมารู้ว่าข้างในเนี่ยมันพูดกับไออาการ<ต>นั้นๆน่นะว่ายังไงตลอดเวลาใช่ค่ะเราก็ต้องพิจารณาค่ะให้ใจนในหัวเราว่าเราเราคิดอะไรอยู่คิดแตใ่ในหัวเราเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมคิดแต่ในหัวเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ เขากำลังพ er ูดอะไรค่ะในก็คือผู้รู้อ่ะเขาคือผู้รู้ที่ว่าอยู่ในหัวเราอ่ะแล้วเขานี้ใช่เราไหมคะคือใช่เราอ๋อไอ้ที่พูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเราใช่ไหมคะเขาจะพูดว่าเรารู้สึกเราเราใช่ใแต่จริงๆเขาใช่เราจริงๆไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ ตนั้นสังเกตตัวนี้แต่รู้ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลราใช่ค่ะว่าไงค่ะฟ right. ังฟังค่ะแต่แต่อ๋อได้ความว่ายังไงก็เข้าใจค่ะว่าแต่ท่นี้คิดอยู่ว่ามันจะแบบ มันจะแยกได้ตลอดเวลาหรือเปล่าก็ให้มาเห็นไอ้ผู้ที่คิดเนี่ยค่ะว่ามันกําลังคิดว่ามันแยกได้ตลอดเวลาหรือเปล่า uh huh. ไม่งั้นเราก็เอาไอ้ตัวเราที่คิดว่ามันจะแยกได้ตลอดเวลาหรือเปล่ามาตั้งสังเกตไว้อืมยึดตัวนี้จริงๆจังๆเลยนะคะแต่ไม่ให้มาเห็นไอ้ที่คิดเนี่ยว่าเราจะทําได้ตลอดเวลาไหมเราจะสังเกตยังไงมาเห็นตัวเนี้ยค่ะ เพราะว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่พูดใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเห็นตัวนี้แล้ววางตัวนี้ไม่ใช่เอาตัวนี้ไปวางอย่างอื่นค่ะไม่คือแบบเหมือนกับเหมือนกับว่า เข้าใจคำพูดค่ะแต่วิธีปฏิบัติอาจจะ ย, ยังไม่เข้าใจไม่ถึงว่าคงจะต้องลองไปฝึกฝึกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ฟังว่าเขาฟังที่ฟังค่ะเข้าใจแต่ยังคิดก็เวลาเนี่ยอย่า ง, อ ย, างอย่างตอนนี้ค่ะที่แมวที่แมวถามใจแมวก็ใจแมวคิดว่า ในขณะที่เราทํากิจวัตรประจําวันหรือทํางานอยู่เนี่ยเราจะรู้แบบนี้ได้ยังไงใจที่คิดอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ย ไ, ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ใจที่ที่บอกว่าคิดไปอยู่เนี่ยเห็นแล้วว่าเขาคิดแล้เห็นแล้วแล้วพอเห็นแล้วเขาพูดต่อไหมคะก็พูดต่อค่ ะ, คะว่าแล้วเราจะทํายังไงต่ออ่าก็มาเห็นไอ้ตัวที่พูดต่อว่า แล้วเราจะทํายังไงต่ออ่ะอ pues ่าค่ะเห็นแล้ววางตัวน <oh ี้ค่ะไม่ใช่ว่าพอมันคิดไปแล้วก็วางไปคิดไปก็วางไปอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคือเห็นเห็นรู้รู้ว่ารู้ว่าเขาคิดแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาคิดแล้วก็วางแล้วแล้วรู้พราะเขาคิดใหม่แล้วก็วางใหม่อย่างนี้หรือเปล่าคะค่ะก็เห็นทุกขณะปัจจุบันตลอดไปเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นอะไรก็ต้องเห็นปัจจุบันใช่ไหมคะค่ะถ้าวินาทีเมื่อกี้ะ ไอ้ที่คิดเมื่อกี้ก็หายไปแล้วมันก็ต่อไปส่งไปที่ไปเรอ้คิดใหม่ใช่ไปคิดใหม่อีกก็ถ้าจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือเห็นไอ้ที่มันคิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้ววางตัวนี้ไม่ได้ตอนนี้เรายึดตัวเนี้ยจริงจรงจังๆเลยเว่าตัวเนี้ยเป็นเราแล้วเราก็ยึดว่าเป็นความคิดของของเรา แต่ให้เปลี่ยนว่ามาเห็นตัวนี้ซะว่ามันเป็นผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันรู้อะไรแล้วมันต้องคิดต้องพูดต้องพาก่อให้ไปคิดว่าเป็นเราเราเรามันก็เป็นเพียงแค่วิญญาณขันอืมไม่ใช่เราจริงๆแล้วก็วางตัวนี้ด้วยการเห็นทุกขณะและเข้าใจว่ามันเป็นสังขารเข้าใจค่ะ จริงค่งงะคือมันเหมือนแบบว่าคือที่ผ่านมาเราได้แต่ฟังค่ะแล้วก็จริงๆการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ไม่รู้จริงๆรว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยพอพอทําแบบนี้คือรู้ว่าคิดแต่เวละพูดก็พูดไม่ถูกรู้ว่าคิดแล้วก็แล้วก็วะแล้วก็วางอย่างเงี้ยแต่แบบไม่รู้ว่าเออที่หลงตาบอกว่าผู้รู้อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ จริงจริงเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาฟังตอนที่ตอนที่มีไลน์นี่เองค่ะค่ ะ, ะก็สุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ได้มาเข้าใจไอ้ตรงเรื่องผู้รู้เนี่ยค่ะระหว่างผู้รู้เนี่ยก็ส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเพราะว่าเอาเราไปดูแต่อาการแต่ไม่มารู้ตัวเราละละตัวเราด้วยการเข้าใจว่า ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีอันนี้มันเป็นแค่สังขารค่ะถ้าไม่งั้นอะ่ะมันก็จะเอาเราไปรู้อย่างอื่นตลอดไปถ้าไม่ไม่มารู้ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้วางตัวเราวางตัวเราด้วยการกลับมารู้อีเสียงที่พูดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารวิจัยตลอดเวลาเนี่ยแล้วเห็นว่ามันเป็นสังขาร โอเค